พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติบูบชาเลิศกว่าอามิตร วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราช25ัห5าเมื่อวานเป็นวันสวดมนต์เย็นวันนี้เป็นวันมรณะภาพหลวงปู่รานนะคณะสตา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้ปู่โจกอ็คงจะแขกคนก็คงจะเต็มแต่ตอนเช้าคงจะมากแต่หลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปเพราะหลวงพ่อไม่ สุขภาพไม่ค่อยดีมันปวดหลังปวดเอวปวดหลังอะแต่ลักษณะเส้นเส้นแผลงเส้นพิกคงจะไม่ใช่กระดูกคงจะไม่ใช่ไตฮะหมอตีอหมอตีอย่างรงพ่อดูดูตัวเองคะแต่คิดว่าไม่ถ้าไปก็คงจะไม่เหมาะ พอไปแล้วก็คงจะปีนเขาขึ้นไปอีกจะเป็นภาระสําหรับพระลูกหลานศรัทธาญาติโยมถ้าไปป่วยตรงนั้นอกีกก็คงจะเป็นไม่เป็นผลดีเพราะมันห่างไกลาจากบ้านตัวเองเดี๋ยวลูกหลานบางคนเขาจะคิดคิดโอ้ลุงพ่ออินะสุขภาพตัวเองไม่ดีขนาดนี้ก็ยังมาอยู่หนาะเดี๋ยวลูกหลานบางคนเขาจะสลดสังเวชใจอีก หลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะไปก็ว่าตัวเองไม่พร้อมเพราะไม่อยากจะเข้าไปจะบถ้าเจ็บป่วยเจ็บป่วยในวัดตัวเองดีกว่าที่จะไปใจไปเจ็บป่วยในที่สาธารณะเช่นนั้นแต่ถึงยังไงเราเคารพไหมในองค์ลุงปู่เราเคารพสุดอกสุดใจสุดหัวใจในการเคารพแต่ถึงยังไงได้เหมือนกับเคารพพระพุทธเจ้าอย่างนั้น่ะ เราเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่เคารพสุดอกสุดใจแต่เราทําไมอยไปไปกราบตรงที่พระพุทธเจ้าประสิทิพานที่เมืองกุศินาราทําไมไม่ไปกราบอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าถึงจะอยู่ไกลแต่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บเป็นการปฏิบัติปูชฌาปฏิบัติปูชาพระพุทธเจ้า ถ้าว่าอยู่ใกล้ออกอดจีวรกอดแข้งกอดขาออกอดพระบาทพระพุทธเจ้าอยู่ก็เถอะแต่จิตใจ เ, เป็นอธรรมจิตใจไม่เป็นกุศลจิตเป็นอะธรรมคิดไปนในทางที่ชั่วทาในทางที่ชั่วพูดไปนในทางที่ชั่วถึงจะอยู่ใกล้ขนาด น, นั้นแต่ก็อยู่ห่างไกลคนละ มุมโลกกันเพราะอะไรเพราะว่าการเคารพนับถือการไม่เชื่อถือมันห่างไกลนี่ก็เหมือนกันนะถึงเราจะอยู่ไกลเมืองอินเดียแต่เรานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหมือนกับพวกเราอยู่ใกล้นี่กับวงปูร่าของเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราอยู่ ไกลแต่เราไม่ได้ไปปีนี้แต่ใจของเราก็ยังคิดทำลึกถึงอย่างปฏิบัติบูบชาอย่างน้อมําลึกถึงปฏิบัติบูบชาต่อองค์ท่านที่โอวาทของท่านดแนะนําสั่งสอนออพวกเราอย่างไรเราก็ได้นําพระธรรมคําสอนขององค์หลวงปู่ล่ามานํามาประพฤติปฏิบัติถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้องค์ท่านนะพออยู่ในโอวาทของท่าน แต่ถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในโอวาทของท่านถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลเป็นปฏิปักษ์ต่อโอวาทของท่านอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อมีโอกาสมีโอกาสเราก็ขอไปกราบคาวะท่านแต่เมื่อเราไม่สบาย ไม่พร้อมที่จะไปได้ เ, เราก็ยกมือไหว้อยู่ห่างๆไกลๆแต่ที่ยังไงการปฏิบัติปูชานั้นให้สม่าเสม อ, อ, อแต่เมื่อมีโอกาสเราก็เข้าไป เ, เป็นถวายเป็นอาอาภิชบูชานะอาพิชบูชา ค, คือเข้าไปกราบไปไหว้ไปถวายสิ่งสักการะดอกไม้ทูบเทียน เ, เรื่กว่าไปทำบุญ อนว่า อ, อาบิดจบูชาแต่ถ้าปฏิบัติบูชาถึงพวกเราจะอยู่ห่างไกลแต่เราประกอบคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจของพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราเราไม่ทำความชั่วเราไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้แล้วว่าปฏิบัติบูชา แต่ใ น, นหลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติบูชาเลิศกว่าอาพิจบูชาสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชวรอาพาธพระสงฆ์ต่งางกันรัศมลสายกันบางคนก็เข้าไปเพื่อให้อยู่ในพระเนตประกันของพระพุทธเจ้าพระเนคือสายตาสายอยู่ในหูในสายตาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วออแต่บางองค์พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานมองตนเองเราเนะี่ยยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเราควรจะเปร่งภาวนาเพื่อจะให้สําเร็จมรรคผลในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนะี่มีอะไรเราจะได้เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอจะให้พระพุทธเจ้าปรินิพานก่อนเราจะมา ภาวนาถ้ามีความขล่องใจเราจะไปถามใครถาถามใครก็ไม่เหมือนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นศาสนาต้นทุกอย่างเรามอบความไว้วางใจใพระองค์นี้ก็นเนี่ยหลบไปหาภาวนานั่งภาวนาอย่างอุดกุกกลิดเลยว่างั้นเอเพื่อจะให้พ้นทุกตัดกิเลสก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพาน พวกสงฆ์งทั้งหลายกลุ่มนึงกันเข้าไปมาลง ม, มาตุ่มเพื่อจะให้อยู่ในสายตาพระพเนตรประกันของพระพุทธเจ้าผลนิบัติพระพุทธเจ้าคนละไม้คนละมือแยกงานกันดูแลผลนิบัติพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าแห่แหนพระพุทธเจ้าเพื่อท่านได้ใช้อะไรพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ ควรจะแสดงความมอบกายถวายตัวเพื่อให้ท่านได้รับใช้ท่านอยู่ใกล้ชิดท่านเพื่อจะได้ดูแลพระองค์ท่านอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มเนี่ดกลุ่มที่อยู่ใกล้เนี่ยนะไปเห็นไปเห็นองค์องค์นั้นน่ยองค์ไม่มาใกล้ก็รู้ถูกองค์นั้นทำไมพระพุทธเจ้าจะปรินิพานอยู่แล้วก็ประกาศให้ทราบอปแอีกสามเดือนท่านไปหาหลบหาเหล็กอยู่ได้ยางไง ทำไมท่านไม่มาช่วยหมู่ช่วยเพื่อนท่านทำได้ยังไงแต่ในของพระสงฆ์ตัวใดกับปลายปากหลายเสียงก็คงจะเป็นพระที่องค์ที่สำคัญพอสมควรนั่นแหละถ้าองค์กัลเวกับวลาดอยู่ปลายแถวกคงจะไม่เป็นไรแนตะ่คงจะอยู่แถวแถวหน้าพอสมควรแต่ในพระสงฆ์ก็พูดกันพวกกางไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระองค์หนึ่ง หลบๆลบหลีกตกเลี่ยงเลี่ยงไม่มาใกล้หมู่พวกเพื่อนเลยทั้งที่กระราบอยู่แล้วพระพระองค์จะรินิพพานพระองค์เอ้าอยู่ที่ไหนเรียกมาปัญหาเหตุเนี่ยหาเหตุที่จะถามทางน้นก็อย่มันก็อยู่มันอยู่อยู่ในความคล่องใจของพระตลอดเนี่ยพระองค์ถามเอา้าทำไม เ, เธอว่าได้ยินว่าพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอ หลบห ล, บ ล, ลเลี่ยลี่เล่ยงเล่ยทั้งที่ทราบว่าเราจะปรินินพานอีกสามเดือนข้างหน้าเธอไปหลบอยู่ที่ไหนเธอทําทอะไรทํำไมไม่มาดูเอ่ยคือพระสงค์ขบฟ้องพระพุทธเจ้าไปตามเอ่ยพูดตามที่เขาฟ้องพระองค์นั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปริเนพานอีกสามเดือนที่พระองค์ได้ประกาศไปแล้วนั้น ข้าพระองค์ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ข้าพระองค์จึงพยายามแกล้งความภาคเพียรเพื่อจะบูชา เ, เป็นปฏิบัติบูบชาต่อพระพุทธเจ้าขอให้ได้อย่างน้อยก็ให้พ้นทุกก่อนที่ก่อนที่พระพุทธองค์จะประิทธิ์ผ่านหรือข้าพระองค์มีความห่องใจข้าพระองค์จะได้เข้ามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ในเมื่อพระพุทองค์ทรงยังทรงพระชนอยู่พระเจาาข้าพระข้าพระองค์ไม่ได้หลบหลีกหกเลี่ยงไปที่ไหนครับองค์เล่นความเพียรพระเจ้าวข่าเพื่อจะให้ผลทุกพระพรทองค์ทั้งที่ท่านจะทำหนินะท่าน菩าทุสาตุเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอ่านี่แหละพระสงฆ์ทั้งหลายควรจะองค์องค์นี้นะเป็นตัวอย่างนี่องค์นี้ท่านปฏิบัติปูชาปฏิบัติปูชาเลิศกว่า อาพิจบูชานะหลงตําทั้งที่พระสงฆ์เรานั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าตําเนี่พระพุทธเจ้ากับยกย่องนะนี่แหละอันนี้ก็คือปฏิบัติบูชาเนะี่เลิศ ก, กว่าอามิจบูชานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดตัวอย่างให้ฟังเนะนี่ยนะนี่แหละให้พวกเราอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์ก็ให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นคิดดีทดําดีพูดดีก็เหมือนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าพวกเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้เขาเถอะอขวางหูขวางตาท่านอย่างนั้นแหละอแต่พอท่านเห็นก็หลบซะเหมือนผีปอบ ก, กลัวหมอธรรมหมอธรรมกัหมอธรรมคือหมอไล่ผีใช่หลงตาหรือ ว, ว่าครูบาอาจารย์เหมือนบมอเป็นหมอไล่ผีฮะ ตัวเองเหมือนกับผีปอบพอเขาไปกันหลบปับ๊บหลบหน้าอันนั้นแปลว่าตัวเองไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นในการกระทําของตนเองแปลว่ายังมีจิตใจเรายังมีที่รับยังมีที่แจ้งอยู่นนกลัวกลัวท่านกลัวท่านจะดุด่าว่าเก่าให้กับเราอันนั้นไม่น่าจะถูกนะเพของเราเข้ามาศึกษาเข้าไปครูบาอาจารย์มีอะไร แต่จะไปทะเลิดทล่าไม่กลัวท่านอไม่ถูกเอแต่ถึงยังไงก็ต้องให้ความเคารพว่ามีอะไรอมีความจําเป็นก็เข้าไปกล่าวปลุกเรียนกล่าบพูถามท่านได้ปอยละเรามีความข้องใจพอเราก็มาศึกษานี่แหละในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วเรานําไปประพฤติปฏิบัติเลยพอเราก็มาศึกษากับท่านะ อย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็นแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทำจิตใจให้สงบนะปวนาเนอะรลูกหลา น, นะานเอนอะอย่าไปคุยกันอย่าไปคุกครีกันต่างองค์ทางอยู่ต่างองค์ต่างมองใจตัวเองเพราะเราเข้ามาเสียสละเสียสละทั้งชีวิตเลยผมผมอีต่างหากทั้งที่ชาวบ้านเขาก็เอาผมไว้ผมยาว ตกแต่งผมตกแต่งผมให้สวยงามตกแต่งร่างกายให้สวยงามผ้าก็ลากสีไม่รู้กับกางเกงตัวไหนตัวตัวไหนให้สวยงามแต่เราก็มาบวชผมก็โปรงทิ้งผ้าก็ใช้ผ้าสีเดียวอีกสีกลักย้อมแกนขนุนอีกอไม่ได้ดูไม่ได้ส่งเสริมอะไรผ้านุ่งห่ม เพียงแต่ว่าให้ใช้ได้ให้สะอาดดูแลให้ความสะอาดไม่ให้ไม่มีเกล็นให้สะอาดเท่านั้นแหละถึงจะขาดก็ขาดสะอาดถึงจะดีก็ดีทวยความสะอาดของผ้าจากนั้นร่างกายของเราก็สะอาดทำความสะอาดในร่างกายบ้างไม่ใหม้มีสิ่งส ก, กปรกเพราะเรามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับสรัทธาญาติโยม อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราแต่ส่วนด้านจิตใจนะั่นนะเราควรจะคิดนยเพราะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญทั้งด้านจิตใจมากกว่าทางการเป็นอยู่เราเข้ามาเขาเสียสลัดอย่างที่ว่านะทานอาหารกัทานอาหารมื้อเดียวใช้ใช้บริขา 8, รแปดกจจำกัดอีกต่างหาก เ, เพชรนินกินดาวสายสร้อยสายแหวนนะนะิโกตาแขวนข้อมือเราก็ไม่ได้ทํา เหมือนกระโลกเขาต้องการรองเท้าหนังออของเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ลองใช้รองเท้าแตะหนังกับหนังแตะหูขีบเท่านั้นนะ อ, อึจไซด์รองเท้าสวมก็ไม่ได้วินัยห้ามไปหมดตอนนี้สรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอะไรเด้ ท่านเน้นต่าให้เรื่องภาวนาพอเราตถาคตไปหยุดไปภาวนาเสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าทั้งหกปีแล้วก็ไปภาวนาวันเดือนหกเพนที่เราตรัดสู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพเราทำอย่างไรกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกเ ข, เข้าออกนั้น จนพระไทยใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมานี่แหละอันนี้คือบทเรียนหรือว่าเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องศึกษาแหละท่านเนี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนจุดนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นท่านไม่ได้สอน ใ, ใส่เข้าต้มใส่ขนมใส่เรื่องแต่งกายใส่เคลื่อน เ, ออเรื่องคุกครีกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรจะเมลัย พระองไม่ได้สอนท่านสอนแคจุดนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีจุดนี้เท่านั้น เ, เรากว่าเวลาเราตั้งภาวนาอยู่ตามลําพังเรานั่งภาวนาตามลําพังขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมือขึ้นระหว่างตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพรเจ้าจะทําจิตให้สงบ อ, อข้าพรเจ้าอยู่ในอารมณ์ที่ กำหดลมหายใจเข้าออกจะไม่ให้มันเผลอเออพราะเราทำมันเผลอมามากตอมากแล้วเรามันได้อะไรถ้ามันเผลอไปนะ ค, คือความเสียหายของข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาบตชมาเสียสลับถึงขนาดนี้แล้วออการเป็นอยู่ทุกอย่างเหนือจากคารวะทางคารวะเขาชอบอย่างไรเราก็ตัดทิ้งทั้งหมด เรามาเป็นนักพรตนักบวชถึงขนาดนี้แล้วยังมาปล่อยจิตปล่อยใจคิดแบบฆราวาสคิดคิดแบบชาวบ้านคิดมันไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าการกระทําของเราการเป็นอยู่ของเราเราก็ต่างจากฆราวาสใจของเราคนน่าจะให้ต่างจากฆราวาสเอาเถอะข้าพเจ้าปล่อยจิตปล่อยใจไปออกไปเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นแหะคือความล่มจมของข้าพเจ้าความจีบหายของข้าพเจ้าการขาดทุน การขาดทุนของข้าพเจ้าถ้ามีสติอยู่กับตัวเองเมื่อไรเมื่อนั้นข้าพเจ้าได้กำไรตามหลักทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับตัวเองเท่านั้นถ้าว่าเผลอเมื่อไรแปลว่าเราขาดทุนเราไม่ได้อยู่ในโอวาลเราไม่ได้อยู่ตามแนวแถว ของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําบอกกล่าวท่านอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอแต่เราขาดทุนจะแล้วนี่นแหละแต่และ ว, วันให้พวกเราคิดดูว่าวันนี้เราขาดทุนมากไหมตลอดตั้งแต่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เนี่ยตลอดถึงกลับมานอนอีกวันนี้เราขาดทุนมากไหมเราปล่อยจิตปล่อยใจไปที่ไหนบ้างเราคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้เต้ว่า คำว่ามันออกปล่อยจิตปล่อยใจไม่จิตใจไม่อยู่กับตัวเองนั่นแหละคือขาดทุนทางนั้นเออพวกเราจะไปหาที่ทไหนการขาดทุนกําไรคือการปล่อยใจออกไปข้างนอกนั่นแหละคือขาดทุนแต่ถ้าว่าจิตใจของเราอยู่ในความสงบอยู่กับ ก, บกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือกําไรเพราะนั่นให้ผอยพวกเราทุกๆกท่านนะเออพวกเราควรจะหากําไรให้กับตนเอง ให้อยู่ิให้อยู่กั บ, กบพุทธโธดูสิเออเราจะได้กำไรเลยเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวเลยอันนี้แหะคือปฏิบัติบูชาเลยทีดูใจของตนเองไม่ให้คิดป่งฟุ้งไปทางอื่นถ้าิจิตใจออกไปทางอื่นมากๆแต่บางองค์เยเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เคยภาวนาปล่อยจิตปล่อยใจไปว่าขาดทุนปุ่นย่อยยับผลปีไปหมดเลย เพอๆทั้งพบทั้งฉาิเขามาบวชแล้วทั้งที่จะมาภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาท่านปฏิบัติอย่างไรที่โกรนต้นโพแต่ถ้าเราทํามาเขามาบวชแล้วทำไมมาแย่งหลักแย่งยศแย่งอะไรต่อไม่อะไรออกไปข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องของแนวแถวของพุทธะ พุทธะเยให้ปล่อยวางให้ดูใจให้ชำระใจให้เป็นพระอริยบุคคลประโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์อันนี้คือคำสอนของพุทธะนะแต่บางกลุ่มบางหมู่บางคณะพอเข้ามาแล้วกันหนะอยย่างลาบอย่างยศอย่างเชิญเชิญเยือนยอกันออกนอกลูก่นอกทางไป็นวอบมีผู้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง อแต่เรามาพิจารณาเปรียบเทียบกับทำคำสอนของพุทธะแล้วนะเป็นว่าออกนอกทางเนาะอออกนอกทางแต่ออกนอกทางตามแนวแถวของพุทธะนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้กระแดกกันแหนะอพูดตามหลักเหตุผลคือพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะ่ยท่านมีจุดประสงค์อย่างไรอ จากนั้นก็นำธรรมคําสอนของพุทธะนํามาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายใจของพวกเราให้พวกเราดูใจของพวกเราถ้าเราจงทรงใจออกไปข้างนอกไปเราขาดทุนแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละเราไ ด, เาได้เราได้กําไรเพราะฉะนั้นให้พวกเราทบทวนดูนะแต่ละวันนะเราขาดทุนหรือกําไรไม่ต้องถามใครหรอกตัวเองนะ่ะรู้ กับตัวเองมากที่สุดนะคณะจตหายาติโดมพระเนตรคุกรันอาต่อในไปรับรด